มาจบเราก็ปฏิบัติธรรมกันเมื่อเช้าหลวงพ่อทันเทศวันนี้เราก็ได้เอาสิ่งที่ทันเทศมาทำกันมีผลปณราการของการปฏิบัติอย่างไงบ้างรุ่มรึกไปเรื่อยๆสาบซึ้งในธรรมไปเรื่อยๆ ความรู้สึกตัวที่นะชัดขึ้นละเอียดนะคมชัดมันก็ส่งผลแหละนะเดินถูกทางชาวต่างชาติมีข้อสงสัยนะในสักถามหลวงพ่อนะก็ถือว่าหลวงพ่อก็พร้อมนะคำตอบ ที่จะเติมเต็มเป็นความสมบูรณ์แบบเพื่อแม่จีวิลำเวลาปุชาวิสัชนาการถามกันและมีการตอบกันภาษีรังกาถามว่าสมถะนะเวลาปฏิบัติมานะหลายปีวิปัสนา าทีนะอารมณ์สมถามันก็ทำมานานมันก็ติดบางทีก็ไม่นอนชอบอย่างนั้นบางทีก็ทำให้ตัวเองลำบากหลวงพ่อท่านก็ตอบดีนะท่านตอบว่าอารมณ์สมถาหรือว่าทุดดงกัวัดต่างๆเนะี่ยใช้สำหรับจิตที่เวลามันพยศ เวลาไม่เชื่องก็ต้องกำลาบมันหน่อยทีนี้ถ้าหากว่ามันลาบเรื่อนดีทำได้เรื่อยๆตัวนี้ไม่ต้องไปกำลาบมันก็ได้คนจีนถามว่าเวลามีความรู้สึกตัวขณะเคลื่อนมือสิบสี่จังหวะ ชอบคิดเก่งก็จะเห็นความคิดมันคิดเก่งเวลาเอานี้มากระทบกันเนี่ยรู้สึกความคิดไม่ค่อยมีแล้วมันชัดดีอันนี้ให้อาตมา ต, ตอบอตาตมาก็บอกว่ามันไม่มีอะไรถูกไม่มีอะไรผิดหรอกมันมีแต่ประสบการณ์ การขยับไม้ขยับมือเล็กน้อยๆหรือว่าเต็มรูปแบบแบบแนวหลวงปู่เทียนไม่ใช่หมายถึงว่าอะไรดีกว่าอะไรแต่หมายถึงว่าเคลื่อนไหวมารู้สึกไหมมันสําคัญที่ความรู้สึกตัวมันจึงไม่ใช่ถูกไม่ใช่ผิดก็มีคําถามต่อไปอีกว่าสติดูจิตอันนี้คนไทยถาม สติดูจิตเป็นอารมณ์ท้ายสุดมันเป็นยังไงหลวงพ่อท่านตอบว่ามันก็เหมือนกับที่หลวงปู่เทียนพูดถึงเรื่องเชือกขาดนั่นแหละเชือกมันขาดแล้วมันต่อได้อยู่มันต่อกันได้อยู่แต่ว่ามันเอาไปใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ตรงนี้สำคัญมันเป็นเชือกที่ต่อกันอยู่แต่ว่ามันใช้อะไรไม่ได้ พอไปผูกหน่อยมันก็ขาดออกจากกันอีกอนี้หรือว่าหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนกันว่าแก้วแตกแก้วนี่มันแตกแล้วมาประกอบต่อมันก็ติดอยู่แต่ว่าใช้งานอะไรไม่ได้ก็เหมือนกับขัน5ของเรานี่แหละขัน5น้นี่มันเอาไวต่อมันก็ใช้อะไรไม่ได้ตัวชีวิตที่มันเป็นความบริสุทธิ์ มันมีการ5าตัวชีวิตนะแต่ว่ามันมาใช้ให้ทุกมันเป็นไปไม่ได้ตรงนีนะ้เพราะนั้นการที่โกรธเป็นความไม่โกรธทุกเป็นความไม่ทุกนะจากความทุกนะ่มันเป็นความไม่ทุกนะก็คือมันต่อมันเชื่อมไม่ได้นะที่เราปฏิบัติธรรมกันก็นีละจุดนี้แหละ จดหมายปายทางนะคือสติดูจิตดูใจเห็นจิตเห็นใจนะเป็นการบําเพ็ญทางจิตนะการจริญรู้ธรรมเป็นการบําเพ็ญทางจิตไม่ใช่นะไปบำเพ็ญทุกขคุริยาเหมือนกับพระเจ้าที่นะนะก่อนจะตัดสูนะ้ได้ค้นหาแล้วก็ลองฝึกมานอนเสี่ยนนอนน้ํานะอดหลับอดนอน วิธีการหลงปูเทียนในเดย์กลางคืนนี่ให้นอนเต็มที่เลยนอนให้อิ่มให้สบายชเช้าตีสามตีสี่แล้วตีสองก็ต่ลุกขึ้นมาจิตก็สดชื่นก็ตื่นตัวได้พักมาห้าชั่วโมงจะขยันมันจะไม่เบื่อไม่ไอ้อยอิงขี้เกียจพิกไปพิกมาหรือวล่าอีกแป๊บนึงอีกแป๊บนึงมันจะมีร ตื่นขึ้นมาก็จะสดบริหารกายในท่านอนก็ไนดนะ้ขยับแข้งขยับขาเกรงไปเกรงมาอะไรอนยะ่างเงี้ยเป็นการเตรียมพร้อมนะลุกขึ้นมาจะได้ทำนะหน้าที่การงานต่างๆหลวงพ่อมเขียนนี่ตอบคำถามนะหลายคำถามครั้งหนึ่งท่านเคยตอบที่จังหวัดภูกเก็ตนะคำถามของท่านนำมาจำไม่ลืมเลย ฝรั่งคนหนึ่งนะถามหลวงพ่อให้หลวงพ่อตอบฝรั่งท่านเนี้ยหลวงพ่อก็ตอบคำถามฝรั่งนี่ถามแบบตรงไปตรงมานะไม่เกงอกเกงใจนะไม่มีคำพูดนะไม่มีการพูดเรื่องมารยาทใดๆทั้งสิน้นถามตรงๆ ฝรั่งคนนี้ก็สอนแบบแนวหลวงปู่เทียนเหมือนกันที่ภูเก็ตเราก็ไปเยี่ยมกันที่เขาหน้าเกิดพบเจอหน้าหลวงพ่อนะก็แนะ น, นําว่าหน้าหลวงพ่อเนี่ยเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียนตอนนี้เป็นพระกรรมฐานที่มีชื่อในสายปฏิบัติแนวหลวงปู่เทียนจิตตวโพแนวเคลื่อนไหวนะฝรั่งถามทันทีเลยท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่เทียน ปฏิบัติธรรมแบบหลวงปู่เทียนเนี่ยตอนนี้ไม่ทุกข์แล้วใช่ไหมเขาถึงความพ้นทุกข์แล้วใช่ไหมหลวงปู่เทียนก็สอนหลวงพ่อเขียนและในฐานะที่เป็นลูกศิษย์นะมันเป็นอย่างหลวงปู่เทียนหรือ ย, อยังนะหลวงพ่อมีวิธีตอบที่เราฟังดูแล้วเป็นภาษาที่สวยงามและไม่อวดตัว ในอวดตัวก็คือหลวงพอตอบว่าหลวงปู่เทียนสอนอย่างไรหลวงพ่อก็ทำอย่างนั้นแล้วก็เป็นอย่างนั้นหลวงพ่อเทียนสอนให้เคลื่อนไหวหลวงพ่อก็เคลื่อนไหวหลวงพ่อเทียนสอนให้เคลื่อนไหวมีความรู้สึกตัวหลวงพ่อก็มีความรู้สึกตัว หลวงพ่อเทียนสอนให้รู้ทันความคิดหลวงพ่อก็รู้ทันความคิดหลวงพ่อสอนให้เห็นความคิดหลวงพ่อก็เห็นความคิดเดือนนี้หลวงพ่อไม่เป็นอะไรกับอะไรกับอะไรตรงนี้เป็นคํำพูดที่ไม่เก้อเขินในเวลามีเพื่อนประชิดถามในการภายหลัง ไม่เกไม่เิดว่าสิ่งที่พูดมันเกิดจากการกระทาจริงๆมันก็ททำให้นะวงสนทนานะทุกครั้งทีนะ่มีการถามตอบปุชาวิสัชนาเนะี่ยมันจบลงได้บรรยากาศของพลังพลังของกลุ่มที่นะเกิดศรัทธาความเรื่มใสแล้วก็เห็นร่องเห็นรอยของการเดินทาง องค์สมเด็จสมมาลเจ้าไม่มีใครถามแต่ว่าเกิดการถามตัวเองว่าการทำจะไหนการทำที่สุดแห่งกองทุกจะพึงปลากฏชัดแก่เราได้ mm hmm. กับถามนี้คำถามเดียว mm hmm. ที่ทำให้พระพุทธองค์แสวงหาโมกธรรม mm hmm. วิมุติความหลุดพ้นจากการเกิดการแก่การเจ็บการตาย จางทางไทยสุดค้นพบจริงๆเราก็พูดถึงเรื่องมหาสติตฐาน4ทางเอกขนทางเดียวสู่การพ้นทุกข์มันคืออะไรก็<ม>ที่เราทำกันอยู่นี่แหละเป็นมหาสติตฐาน4ใหม่ๆก็รู้กายเคลื่อนไวหวไปก่อนรู้สึกตัวรู้สึกตัวแต่ละขณะแต่ละขณะไปก่อนจนเกิดการรู้รอบขึ้นมาจริงๆก็คือขณะ ใจเดียวเนะี่ยมันรู้รอบเลยกายเวนาจิตธรรมเต็มรอบเต็มพลังเต็มกําลังกายเวนาจิตธรรมกายเวนาจิตธรรมมันรู้แจ้งนะรู้กายนะการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวเนะี่ยเวลากิจจะกรรมเกิดขึ้นมาที่กายนะในรูปแบบนอกรูปแบบการใช้นะ ทำหน้าที่ทั้งวันนั่งเดินยืนนอนนะจะกินจะขับไยนะจะเคลื่อนจะไหวนะโดยมีเหตุปัจจัยหรือว่าโดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหนะรือว่าเราตั้งใจอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกตัวนะรู้หยาบๆยารู้ไปเรื่อยๆจนกระทั่งมีความละเอียดนะเกิดขึ้นมานะรู้เนะวทนานะรู้จิต รู้ทำรูปกระทบที่ตาเสียงกระทบที่หูเราก็เห็นจิตเห็นใจของเรานะชัดเจนการใช้การรับใช้รู้ว่หลงหรือว่ารู้ชัดก็ต้องอาศัยบรรยากาศสิ่งแวดล้อมตั้งแต่เบื้องต้นรูปแบบการปฏิบัติการฝึกการหัดจนชำนี้ชํานาญนะนะั่นแหละเมื่อไรที่เรียกว่าชํานาญก็เมื่อ มีการกระทบเกิดขึ้นมาแล้วไม่กระเทือนหรือว่ากระเทือนนิดๆหน่อยๆแล้วก็มันไม่ทุกเน <c oughs> มันว่องมันไวเป็นไหวพิบเป็นปฏิพันธ์มันมีจริงๆสิ่งเหล่านี้เมื่อเช้าหลวงพ่อได้พูดตอนที่ฉันฉันเช้าเสียงมันเบาๆแต่เป็นความหมายที่มาฟังแล้วมันนั่งใกล้ๆกันลก็ลึกซึ้งนะแลวก็หมายที่ลึกซึ้งมีความชัด ถึงเสียงมันจะเบาแต่มันชัดมากๆเลยผู้สั้นๆน้อยๆแต่เราฟังปั๊บเนี่ยน้อมมาปิบัติเโอ้มันทันทีทันใดเลยนะจะเรียกว่าวิชยานก็ได้นนะยังรู้จับพันได้เลยนะอัตมาได้ถามหลวงพ่อเหมือนกันเมื่อเช้าขณะฉันอ า, า, า, า, าหารนะมันคาใจอยู่เรื่องหนึ่งก็คือเรื่องพระนะที่ท่านบวชนะแล้วก็ไปหากินเป็นภาพปลอมาี่พูดถึงเมื่อวานนะ เสร็จแล้วเราก็จะถามว่าประเด็นว่ามันจริงเหรอที่หลวงพ่อพูดกับว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรแล้วก็เป็นปกติรู้สึกตัวใหม่ทันทีพารุปนี้ก่อนบวดว่าปกติดีพอบวดปับ๊บมันเกิดอาถรรพ์นึ่มาทันทีทำอะไรแบบเหมือนกับไม่ใช่ตัวเองมันทำ แต่มันเป็นระบบของกรรมที่มันจัดสรรใหนะ้เลยเกิดการแสดงออกเรารับสารภาพไทยรึกบอกออไปหากินอยู่กรุงเทพอ้างวัดป่าสุตโตอ้างชื่อหลวงพ่อเขียนหากินนะจนกระทั่งพอมาบวชก็เกิดอาการแปลกๆขึ้นมาก็ถามหลวงพ่อจนกระทางก็ร่ำลือว่าหลวงพ่อเนะี่ยโอ้เป็นผู้พิเศษศักดิ์สิทธ พระพูดทาไมเป็นไรไม่เป็นไ ร, ไนไรพระก็กลายเป็นกลับมาดีดังเดิมอย่างเงี้ยก็อัศจรรย์หลวงพ่อพูดเนี่ยโอ้เราฟังแล้วอ้นี่คือหลวงพ่อเนาะทำเรื่องใหญ่ให้เป็นเรื่องเล็กทำเรื่องเล็กให้ไปนมีปัญหาไปเลยทันทีทันใดท่านพูดว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร มันทําให้เบานะหลวพ่อดนะหลวพ่อเคยเป็นหมอตำยาเคยไาคนออกรูคขอดลูกรู้ไม่รูนะ้นะก็ะพรูกระว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรตอนนี้เด็กไม่รู้หัวอยู่ทางไหนพ่อก็บอกเออนี่แหละมันกําลังจะออกแล้วนะอาการเจ็บอาการปวดตอนนี้ติดล้องควนกลางข้ามกรวดนะเด็ก ก, กาลังจะออก มันต้องเจ็บเพราะลูกกําลังจะคลอดมันต้องเจ็บต้องปวดนขนาดขี้ก้อนนิดเดียวนะออกมาเจ็บตูดเลยจะไ ม, ม่ยอมนี่เด็กตัวเบลเลอร์เลยสองโลเศษเศษสามโลยังไม่เจ็บได้ยงไงเด็กกําลังจะออกนคนไข้ก็สบายใจหลวงพ่อพาคนคลอดลูกม า, มามากแล้วฟังสบายใจไม่จะไปบอกเออนี่แหละ ตายมาหลายศพแล้วคลอลูกนะเจ็บอย่างเงี้ยหลพ่อเขาพูดนะเป็นลาวทองจะเป็นยังไงนะฮะเฮ้ยจะรอดไหมเนี่ยตายมาหลายคนแล้วทําคนตายมาหลายคนแล้วหลวงพ่อบอกเออเราฟังเลยนะดีไว้ก่อนนะให้มันเป็นเรื่องของกําลังใจนะให้กันแล้วกันพระรุมนี้ก็เลยได้กําลังใจนะก็อยู่ที่วัดภูเขาทอง หลวงพไปเลือกตอบว่าเขาเป็นยังไงทําเรื่องเล็กให้เป็นเรื่องใหญ่วิพากษ์วิจารณ์นะแต่ว่าสรุปจบไม่เป็นไรแล้วก็แล้วไ ป, วไปนะอยู่ที่นี่ก็เริ่มต้นใหม่ก็แล้วกนะันฝึกอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ควรทําตอนนี้ก็ค่อยๆฝึกค่อยๆหัดไปนะแต่บนะัด น, นั้นความรู้สึกตัวนี่เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ธรรมดาซะแล้วนะ การที่เรามาอยู่ที่วัดป่าสูงตัวเราก็เป็นคนที่อย่างน้อยๆก็มีบุญมีวาสนาแหลนะก็มองตัวเองอย่างนั้นนะหลายคนกําลังเผชิญกับโรคนะโรครอริงรอริงกไก่แล้วก็รอเรือคนะอควายแนะต่เรากลับมารู้รูปโรคน้ำโร ค, ม, โรคนะมันคืออะไรรูปทุกน้ำทุกมันคืออะไร รูปธรรมนามธรรมมันคืออะไรมีรูปธรรมนามธรรมทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนมันเป็นยังไงมันก็ผ่านความรู้สึกตัวมองประตูใจมันก็จะเห็นคุณธรรมต่างๆมีคุณค่ามากๆชีวิตเนี่ยโดยเพราะธรรมชาติที่มีในตัวเราเราไม่เคยรู้จักมันเนี่ยเราก็ใช้ กบิดาบันจนเกิดโทษม า, มากมายแล้วเกิดกับกายกับใจของเราเป็นพานละเป็นปัญหาดูแลตัวเองไม่ได้ก็ดูแลคนอื่นไม่ได้เบียดเบียนตัวเองได้ก็เบียดเบียนคนอื่นได้ก็เป็นปัญหาขึ้นมาทุกครั้งที่กามารู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวมันก็จบตรงนั้นแหละรู้กายรู้ใจ เพราะนั้นเวลามีวงสนทนายัางนนสนทนาทําตามการเป็นมงคลอย่างยิ่งคุยแต่เรื่องเออเ น, นี่ยปฏิบัติแล้วเทคนิคปฏิบัติผลของการปฏิบัติมันเป็นยังไงแล้วก็แบ่งปันกันก็มีกําลังใจนะอย่างเงี้ยเราก็ไม่มองกันเป็นเรื่องอื่นละทุกคนก็มีความทุกมีปัญหนากันมาดังนั้นและทําอะไรก็หลายสิ่งหลายอย่างไม่ทําก็ไม่ผิด ถ้าพิถาถามกันเพือผิดก็เป็นถูกครับว่ามันไม่ได้มีเจตนาทําผิดอะไรมันเป็นเรื่องของการช่วยการเหลือด้วยความบริสุทธิ์ใจกายวาจาใจถูกหยิบ ม, มาใช้เป็นความบริสุทธิ์หมดนันะเหลือสมมุติเราก็จึงไม่ได้ค่อยแบ่งกันมากถ้ารู้สึกตัวปัญหาก็ไม่มีถ้ารู้สึกตัวล า, า, ายวัดอาญาวุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงแสงเราเป็นครอบครัวสาธอาทิตครอบครัวใหญ่ สถานที่500กว่าไร่เราก็ใช้กันเต็มที่นั่นแหละจะเป็นของใครจ้างเอะไม่เกี่ยงมันก็จะเป็นของผู้ที่มีสตินั่นแหละผู้มีสติมีปัญญาจะสร้างประโยชน์ก็ดูแลกันหลวงพ่อก็บนบ่นว่าเช้าต้นไม้หลวงพ่อข้างโอ่องข้างครัวนี่ไม่อยู่ไม่ไกลรถให้เลยแห้งแงะแกะต่อสายยางมารดกัน ก็ตุกซอกตุกมุมแล้วก็ดูกันครัวมีขยะแล้วก็กวาดอาสาในครัวอยู่กันเต็มแล้วทำกับข้าวอยู่กันเต็มเดินสวนไปสวนมาแต่ข้างล่างใต้ถุนมีใบไม้มีขยะเราก็ดูแลกันปิดทองหลังพระไปไม่จําเป็นต้องแสดงตัวออกน้ำตรงไห น, นเลิแล้วเข้าไปคัดขัะตูถูเป็นการปฏิบัติธรรมนั่นแหละเงียบๆดูจิตดูใจตัวเอง เราก็จึงไม่ขาดแคลนขาดแคลนอะไรก็ขาดแคลนวัตถุหนึ่งสองสามปจ 4, ัจจัยสภายนอกและภายในสภายนอกก็คือนะที่อยู่อาศัยเกลื่อนต้งห่มย า, า, ารักษาโรคอาหารภายในสี่ก็คือสติสินสมาธิสัมผัสปัญญาพวกนี้นไม่จนทั้งภายนอกทั้งภายใน เราก็เดินไปแบบทางเรียบเรียบราบลื่นนะถูกทิศถูกทางมักผลผนิพานมันก็ใกลก็มาใกลก้มามนะก็เลยนะไม่เสียโอกาสแต่ละวันแต่ละวันผ่านไปแล้วเก็บเกี่ยวกันเราดูการเก็บเกี่ยวนะชั่วงนี้มันเป็นเรื่องของนาทีทอง น, ะนาทีนี้เป็นเป็นดินทำแผ่นดินทองนะอยู่ด้วยศีลด้วยทำ เกิดคุณค่าขึ้นมามากมายเปรียบเทียบ ว, ว่าแผ่นดินทองนะเราได้ประโยชน์ก่อนประโยชน์ตนแล้วประโยชน์ท่านต่อไปเป็นไปเพื่อคนหมู่มากทนะี พ, พีน้องๆเพื่อนๆอีกหลายคนนะยังหลงโล ก, กันอยู่เราก็รอนะรอที่จะช่วยเข้าเมื่อมีโอกาสนะวันนี้ยังช่วยไม่ได้วันหน้าก็ต้องช่วยนะวันนี้เขาทุกขนะ์เข้ามาแล้วนะ วันนี้ก็ยังไม่ทุกก็ยังไม่มาวันหน้าก็ทุกก็าอาจจะมาไดเ้เราก็คอยกันพ่อแม่พี่น้องเพื่อนฝูงปูงง่ยา่าตาทวดกันกที่อยู่ๆจะไปบอกกันมันก็ไม่ใช่นะพเพาะบางทีเรายิ่งวิ่งเข้ามาหาเขายิ่งวิ่งหนีเปรียบเหมือนความรักกันนะความรักนี่เราวิ่งหาไม่ได้วิ่งหามวิ่งหนีเลยแต่อยู่เฉยๆเดี๋ยวมาเองนะไม่ต้องไม่ต้องอยาก ไอ้ตัวอย่างเนะีตัวมีปัญหาอยากให้กอรักอยากให้เขาพูดดีอยากให้ทําดีทําไมก็พูดอย่างนั้นอย่างนี้อย่างน้นทำใเกิดปัญหาเราทุกก่อนแต่ถ้าเราไม่ต้องเรียกร้องเพราะว่าความเคารพนี่เรียกร้องไม่ได้เลยแล้วแต่เขาจะให้ยิ่งเรียกร้องยิ่งไม่ได้เราเห็นแล้วหยุดนําเลยได้ยิ่งบีงหาตันหาว่าทําให้เราทุกยิ่งเรียกว่ามีปานละ รู้วิ่หาอะไรไล่จับเงาตัวเองเห น, นื่อยเปล่าๆความรู้สึกตัวจึงเป็นคําตอบนะทุกครั้งที่กลับมากลับมากลับม า, บมาปฏิบัติจนะกลับมาตรงไหนสติดูกายถ้าทําเป็นก็ดูไปสติดูจิตถ้าทำเป็นก็ทําไปถ้าดูเป็นเลยหรว่าสติรู้สติสตนะก็คือเออมันไม่ต้องทําอะไร ม, มันเปิดเผยแล้วกันเนี่ยมันไม่ต้องทําอะไรข้างใน เพราะว่ามันมีที่อยู่จริงๆริถึตงตรงนี้มันก็ปกตินั่นแหละท้ายสุดคือความเป็นปกติอารมณ์ปกติก็คืออารมณ์ของการปิดบัตนจิตไม่ได้อยู่กับกายเพื่อให้เกิดความปกติไม่ได้ดูจิตเพื่อเกิดความปกติแต่ว่ามันปกติเพรมันอยู่ในตัวสติดูกายสติดูจิตสติดูสติเราเลยเข้าใจอะไรบางทีอาจจะมีจิตดูจิตเราก็เข้าใจจิตดูจิตก็คือมันถามตอบถามตอบในตัว มันไม่ถามคนอื่นหรอกนเนี่ยมันถามตอบมันอยู่ในตัวนั่นแหละคือจิตดูจิตอยู่จิตไม่ดีถูกจิตดีสอนจิตดีชี้นำบางทีเดินไปเดินมากระเทศแถ้ตัวเองฟังนะอารมณ์ปฏิบัติจะเกิดขึ้นกับนักปฏิบัตินะตามขั้นตอนลำดับขั้นของอารมณ์ปฏิบัตินะเบื้องต้นทำกลางที่สุดนะท้ายสุดก็คือนะก็รู้ แบบไม่ต้องกําหนดเพราะว่ามันทําเป็นแล้วมันไม่มีการกําหนดมันใช้ชีวิตธรรมดาธรรมดาธรรมชาติอิสระภาพของมันมันมีความปกติเกิดขึ้นมาแล้วก็ชํานานรูล้ลบเป็นปีกรูลกหลีเป็นหางหนีช้างสิวานหนีคนบ้า10บยชศมันก็อยู่มันไปแบบนั้นแหละตรงไหนที่อยู่แล้วไดคนได้ค่า ได้ใช้กายวาจาใจแล้วก็ไม่เกิดการเบียดเบียนตัวเองเบียดเบียนผู้อื่นเราจะอยู่แบบนั้นแหละเหตุปัจจัยมีมันก็ผลักไปวันวันนั้งไหลไปตามอาร ม, มนัเรียกว่าอ่อนโยนนะเกิดความอ่อนโยนขึ้นมาไม่แข็งขืนหรือว่าอ่อนแอเมื่อทีเราก็จะเห็นมันมีความอ่อนแอเกิดขึ้นมาเราก็จะเห็นว่าบางทีมันเกิดนะ ปฏิกิริยาที่พกผันทันทีคนอ่อนแอเนี่ยบางทีชี้แจงด้วยเหตุผลเมื่อชี้แจงไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ีปัญญานะมันจะใช้อารมณ์ก็มานำเนะกิดเสียงที่มันบังคับขม่มหรือว่าตวาดพลุัศวาจานะแต่ถ้ามันเป็นเรื่องของมีสติอยู่มีความอ่อนโยนอยู่มันก็กลายเป็น ปิยวาจาพูดแล้วเกิดความรักเกินมาหันโยนนุ่มนวลวาจามัตุรสมีรสชาติพูดแล้วรับฟังกันได้เป็นคาพูดที่เกิดกำลังใจอย่างฟังหลวงพ่อทุกครั้งก็เกิดกำลังใจทุกครั้งคําทีลภาพเป็นคําที่มันมีพลังคาพูดแล้วก็ความจริงสัจธรรมซึ่งเราก็ปฏิเสธท่นไม่ได้ มันเกิดขึ้นมาเสร็จแล้วเราก็รู้อ๋อพลังลาเนี่ยมันเป็นพลังที่ความรู้สึกตัวมันพาไปปัญญามันพาทำมนเกิดขึ้นแบบเป็นธรรมชาติเพราะฉะนั้นก็อปปี้กันไม่ได้เรื่องแบบเนี้เห็นท่านทำอย่างนั้นเลยไปทำตามไม่ได้เสียแรงแกล้งทำมันก็ไม่ใช่ท้ายสุดนก็ไม่ใช่อยู่ดีก็จับกันจนได้ท้ายสุด มันก็จึงเป็นเรื่องของใครของเราที่เราโกหกตัวเองไม่ได้รู้สึกก็รู้สึ ก, กเองตัวเนี้ยสัจธรรมโกหกไม่ได้เลยเรานั่งเราก็รู้เรานั่งก็โกหกได้ไงก็เรานั่งอยู่เราก็รู้รรรรอยู่นั่งเดินยืนนอนรู้สึกตัวลำคิดรู้ปับ๊บไยมันจะโกหกกันได้อย่างไงเพราเรารู้ของเราเองเป็นปัจจตังแล้วก็อาักลาิโกไม่จากัดการอยากรู้มาอะไรก็รู้ได้นะเพราะนั้นแสงไฟสว่างกลางคืน ดวงดาวแสงจันทร์สว่างกลางคืนพระอาทิตย์สว่างตอนกลางวันแต่ว่าสติปัญญามันสว่างสวัยทั้งกลางวันทั้งคืนตัวนี้จะว่ายังไงนะเลือกได้เลือกไดนะ้มันเป็นพลังของชีวิตนะก่อนที่จะลาลับดับจากโลกนี้ไปนะสภาวะที่มันเหนือเกิดเหนือแก่เหนือเจ็บเหนือตายมันมนะีก่อนใจจะขาดห้านาทีนะ มาเช้าหลวงพ่อเทียนก็ได้หลวงพ่อเขียนก็อ้างหลวงปู่เทียนพูดว่าก่อนตายห้านาทีจะได้เจอทุกคนแหละก็จีนก็ถามเลยก็สนใจตรนะีจริงเหรอมันจะได้สัมผัสกันทุกคนหลวงพ่อก็พูดว่าสําหรับคนที่เคลื่อนไหวรู้สึกเนี่ยมีสิทธิเ์เลวกับเพื่อนเลยพอเราเคยฝึกรู้สึกตัวรู้สึกตัวไหมแต่ถ้าเราไม่ฝึก มีความรู้สึกตัวมีสติมีปัญญาบางเวลามันตายบางทีก็อาจจะไม่เห็นสภาวะของจิตที่มันแสดงตัวเองออกมาที่เป็นอาการหรือว่าสภาวะของนิพพานที่มันปรากฏต่อหน้าต่อหน้าเคยเจอหน้ามาเคยเจอเรื่องนี้เป็นประสบการณ์ตรงทีเดียวละ ครังหงไปสอนที่บรรพบุรุษเงินเคนะประมาณ 9-10 ปีที่ผ่านมาแล้วนะการนี้ยายแจงยายแจงก็เป็นเจ้าของบรรพบนัุษเงินเคเป็นคนใจบุญนะแล้วก็วันนั้นเป็นวันที่พี่ชายของเขาเป็นพระนะเป็นเจ้าคณะอำเภออำเภ อ, อำเภอแกลงจังหวัดระยองอ่นะก็โดนคนต้มตุน๋นะมีคนเข้ามาแล้วก็เซ็นเช็คให้เขาเป็นล้านเลย เอาสมุดเงินฝากไปกระเช้านะาไปเรียบเลยตัวเองก็นั่งเฉยอย่างเง้นะสิบแปดมงกุฎทีนี้ยาแจงแกเป็นน้องพอไปรู้เรื่องนี้เข้าไปหาพี่ชายกลับมาก็เสียดาเงินของพี่ชาย ท, ที่สำคัญที่สุดก็คือไปดูงกันตัวเองก็หายไปเงินหมื่นหนึ่งเงินตัวเองหายไปด้วยลมจับเลยวันนั้น ยาแจงนี้ถือว่าเป็นนักปฏิบัติที่เอาจริงเอาจังใจบือนสุนทานแล้วก็ปฏิบัติแนวลูกพูทเทียนเนี่ยละครานี้ปรากฏว่าแกเป็นคนที่ชอบสารพัดสารตะก้ามากสารกระด้งสารเข่งสารพัดอะไรแกชอบมากอาศัยการทำกรรมฐานกับการทำงานไปด้วยทีนี้วันนั้นปรากฏว่าแกเองเน่ใจจะขาด เป็นลมวันนั้นนะใจจะขาดอายุแกมากแล้วแปดสิบกว่าแล้วคราวนี้พอใจจะขาดเนี่ย mm hmm. แกเห็นเลยข้างหน้าเนี่ยมันสว่างมันโลง่งแต่รายฟังนะแต่ว่าจิตแกน่ไม่ไปตรงนั้นนะมันออกข้างทางเอามาเลยบอกเออนั่นแหละเห็นไหมววามคืออะไรไอ้ตัวนี้แหละมันทำให้กลับมาต่อ ท่นที่จะตกกระไดพระการชนไหมนะมันมาหาตัวเนี้ยก็ถือไอ้ความคิดเนี่ยที่เราทําจนเป็นนิสัยอยู่กับการงานจนเป็นนิสัยอยู่กตะก้ามากอยู่กกระจา่าอยู่กับพัดไปทีไรก็จะได้พัดเป็นเรียกว่าของขวัญเป็นของฝากทีเราอันสองอันมา ก, ก่อนก็เสียบกุดเอาไว้ตอนนี้ไม่มีสักอันละของมันเสื่อมได้ของมันหายไปได้ ของมันเป็นของที่เสื่อมสลายแต่ที่สำคันเรื่องจิตเนะีนะ่ยสภาวะที่มันปกติอยู่นะแล้วก็เวลามันใจจะขาดห้านาทีเนะีภาวะตรงนั้นกนะ็คือมันเป็นภาวะของตกตกระไดพอกระโจนนะไม่มีตัวไม่มี ต, มมตนเหนือเกิดเหนือแก่เนืเจ็บเนือตายความว่างตรงนั้นนะแต่แกเข้าหาความคิดนะที่ติดเรื่องกุศลนะก็เลยได้เฟื่องขึ้นมาแล้วก็โอ้ฉันเสียดายตัวนั้นเอาไว้ บอกเลยฉันเสียดายพูดแบบภาษาละยองอเสียดายมันเสียดายเชียวมันรลดซึกเลยตรงนั้นนะ่ะมันเป็นเรื่องของมันไม่มีอะไรจริงนะทันนะก็พูดอย่างนี้มันไม่มีอะไรจริงนะทนะันะรรนะเสียดายมันมาแหวกข่างทา ง, ท, างทุกคนนัามาก็ได้ยินได้ฟังว่าออประสบการณ์ของนักนักละกอนที่ติดอะไรบางอย่าง แล้วก็จนเป็นจริตนิสัยทายสุดก็ได้แวะจนได้แทนที่จะตกกระไดพร ะ, ะจอเนี่เพราะนั้นมันมีอยู่เนหะมือนเราเคยได้ยินได้ฟังเจ้าชายสิท ธ, ธนะัตถะบวชจะนั่งค้นพบโมกะธรรมทายสุดพระเจ้าสุโธธนะใช่ก่อนที่ใจจะขาดนะพระเจ้าก็สามารถชี้นำโยนั่งบรรลุเป็นพระรหันต์ได้ก่อนใจยะขาดพนระเจ้าหลวงพ่อประเด็นนะ เราฟังแล้วมันก็ตรงกันหลายรอยนะตรงกันหลายลอยอยิ่งเราปฏิบัติเนาะมันก็เอกจุดนี้แหละมันคงไม่ใช่จุดอื่นแล้วแหละในเพระนั้นสิ่งเรล่านี้มันเป็นสิ่งที่ต้องปรากฏไม่ใช่คิดเอานะต้องปรากฏแล้วก็ปรากฏแล้วก็เป็นเรื่องของการที่เราไม่ใช่พระครัพกองนะเพราะว่ามันเปิดตัวออกไปไม่ใช่หมายถึงว่าคิดเอาเป็นเป็นการด้นเดาคํานวณคํานึงคาดกันเนย มันเป็นสัจจะความจริงจริงๆนะที่มีอยู่เป็นกฎของธรรมชาตินี่แหละนะแต่ว่าต้องตามรอยเป็นขั้นเป็นตอนเบื้องต้นทํากลางที่สุดก็จนะงเป็นเรื่องที่เราก็เหมือนกับว่าแต่ละคนแต่ละคนก็ใชนะ้อิสระภาพนะเพื่อเข้าถึงธรรมชาติธรรมชาติแท้นะเดิมแทนะ้ที่มันไม่เปลี่ยนแปลงไม่แปรพันนะที่หลวงปู่เตียนท่านใช้ภาษานะธรรมชาติเดิมแท่นะ มันไม่เปลี่ยนแปลงมันไม่แปรผันตรนี้นะก็พูดให้ฟังยันนี้ก็สมควรกับรากากาพะพ้องกัน